30. ลิขิตตะกะโจรวัตถุว่าด้วยโจรถูกออกหมายจับบรรพชาข้อ93สมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งทำจรกรรมแล้วได้หนีไปบรรพชาในหมู่ภิกษุและเขาถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับทั่วราชาอาณาจักรว่าพบเข้าในที่ใดพึงฆ่าเสียในที่นั้น มนุษย์ทั้งหลายพบเข้าจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษสุรูปนี้คือโจนผู้ถูกออกหมายจับคนนั้นเอาเถอะพวกเราจะฆ่าภิกษุนั้นเสียมนุษย์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคุรัตได้ทรงมีพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดได้บรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสกยตบุตรกุลบุตรเหล่านั้นใครๆจะทําอะไรไม่ได้ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าพระสมณะเชื่อสายพระสกยบุตรเหล่านี้ปลอดภัยใครๆจะทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นพระสมณะเชื่อสายพระสกยบุตรจึงให้โจรผู้ถูกหมายจับบันพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้